บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM ร0 1 7 5 MHz AM 1368ง h z เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารต้องการปรึกษาด้านกฎหมายยื่นคคำร้องขอตั้งผู้จัดการมารดกช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญาไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาทไกลเกลี่ยประนอมหนี้ แอปพลิเคชันอายการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนัก ง, งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนัก ง, งานอายการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android ด์สำนัก ง, ง, งานอายการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนโรคพิสุนักบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแนวกัด เลี้ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สําหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบาทัานทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สาคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบสามเข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422 ด้วยความห่วงใยจากสำนัก ง, งานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัด น, นครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 ร้อเมกเฮิร์และระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิร์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 ให้คนท้งบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มีเพื่อนดีมากกลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้ง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 สะท้าง รู้ว่ามวงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคู่ ต, นต้นโตสู่แดดผลไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบางงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้ สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้นอมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธา คับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันรัฐบาลประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนนะหนี้สินนอกระบบในทุ่งตีประกาศเป็นเวลาแลห่งชาตินี่ก็ในส่วนของกระทรวงของอะไรต่างๆ ก, ก็ตอบรับแหละครับในส่วนของ กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับในละวันแสงสนิทปหลัดกระทรวงก็เปิดเผยว่าตอนนี้กระทรวงการคลังในเร่งพิจารณามาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหานี่ครัวเรือนนของรัฐบาลนะครับโดยจะมีสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วก็สถาบันธนาคารพาณิชก็จะเป็นขอความร่วมมือนะครับนะโดยเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน นะเพื่อลดการแก้หนี้นอกระบบนะก็อาจจะย้ายหนี้นอกระบบมาสู่หนี้ในระบบแทนนะครับซึ่งถ้าลูกหนี้มีปัญหากับสถานการเงินรัฐก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับนะไปเจรจาไปช่วยชำระหนี้คืนนะครับนะก็จะมีการดำเนินมาตรการอย่างนั้นนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็จะ ใช้ช่องทางผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อที่กระทรวงดูแลอยู่อย่างเช่นนาโนไฟแนนซ์พีโก้ไฟแนนซ์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็กํากับดูแลอยู่ก็จะเปิดช่องพรอนปอนให้ประชาชนเนี่ยเข้ามากู้มาเข้าถึงสินเชื่อรายย่อยได้มากขึ้นนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าว่าว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะก็เป็นมาตรการในส่วนของ กระทรวงการคลังส่วนของกยศนี่กองทุน เ, เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยก็นชัยนาลงากัตชปา น, นันผู้จัดการก็บอกว่ า, าการนโยบายรัฐบาลที่จะให้มีการแก้ไขปัญห า, านี่กยศนะก็บอกว่าจะต้อง ม, มีนโยบายอย่างนี้ก็จะชะลอการฟ้องลูกหนี้ใหม่ นะครับแล้วก็ชะลอการบังคับคดีคนที่เป็นลูกหนี้ของกยาศานะเพื่อให้ลูกหนี้ได้กลับมาเป็นเป็นหนี้ดีนะก็จะเป็นการผ่อนปลนนะฮะลูกหนี้ที่ที่ถูกฟ้องนะครับนะเพราะหลายคนเนี่ยไม่ไม่มีเงินจ่ายนะก็ถูกถูกฟ้องเนะี่ยตอนนี้ก็จะชะลอไปแล้วก็จะมีการลดเบีย้ยปรับจากอ่าร้อยละ 7.5 หเนี่ยเหลือร้อยละ 0.5 นะก็คือลดลงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการ ปรับลำดับการผ่อนหนี้นะจากเดิมนี่จะมีการตัดเบี้ยปรับก่อนนะตามด้วยดอกเบี้ยเงินต้นนะก็จะเป็นการมาตัดเงินต้นก่อนเพื่อที่จะได้หมดหนี้เร็วๆนะว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนีนตรงนี้นี่ก็อาจจ ะ, ะพยายามที่จะเอื้อให้กับลูกหนี้ได้ฟื้นตัวละครนะนายชัยนหลงก็ว่าอย่างนั้นนะครับว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนีนตรงนี้ก็จะมีการมาตรการที่จะ ช่วยเหลือในหลายๆในหลายส่วนนะครับซึ่งสำหรับสถานะกองทุนกยอศอนี่นะครับนะก็อะตอนนี้นี่ก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ก็ประมาณ 24,000 ล้านหรือ 26,000 ล้านนะแล้วก็จะเพิ่มเป็น 30,000 ล้านต่อปีนะก็เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับนะให้สามารถที่จะแก้ไขวิกฤตนะต่างๆของของตนเองได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้อง ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือเธอลูกนี่ถึงจะฟื้นได้นะครับนะเพราะว่าบางคนนี่ก็กู้นี่หลายฝ่ายโดยเฉพาะนี่นอกระบบนะครับเนะี่ยทำอย่างไรที่จะมีมาตรการที่จะมีการมาเจรจานะครับนะในส่วนของนี่ที่ดอกเบี้ยโหดๆนะครับนะ่าจจะต้องเอามานะถ้าผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ครับนะเพื่อที่จะให้ กปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทวงเจ้านี่โหดเนี่ยก็ลดลงไปมีข่าวตามสื่อมวลชนมาก ก, ก็คงจะต้องใช้มาตรการเหล่านี้นะครับนะซึ่งก็ให้มีลูกหนี้ต่างๆเนี่ยเปิดรับลงทะเบียนแล้วก็ไปลงทะเบีย น, นครับ ท, ท, ที่ที่อำเภอนะมีการเปิดกันแล้วนะครับมารับฟังเพลงสักเพลงนะครับก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับท่านตัวครับ แค่ไหนก็ไม่แปรพันรักเจ้านั้นไม่สิ้นสักคร า, าเร้ารำพิคิดถึงแกนวนคนที่เคยเฝ้าครวญสัญญาลมที่ชวยอ่อนไหวดังจิตใจไฟหัา Nong, <says> <again> n แค่ไนก็ไม่แปลพันรักเจ้านั้นไ่ซส่ดสักคราเฝ้ารำคิดถึงแก้มนวนคนที่เคยเฝ้าครวญสัญญาลมที่ช่วยอ่อนว้ ดังจิตใจไฟฮาขอยน้องคอยคอยพี่กลับมาหวงที่โชยอ่อนไว้ดังจิตใจไฟฮาขอยน้องคอยคอยพี่กลับมา มาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะในช่วงนี้นี่เราจะเห็นนะครับเนกะี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะการดึงนักท่องเที่ยวนี่ก็จะทําให้ในส่วนของเงินตาต่างประเทศนี่เข้ามาก็จะเป็นการฟื้นเศรษฐกิจได้ได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับนะก็เพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ เรามีมาตรการที่ส่งเสริมรวมทั้งฟรีวีซ่านี่ก็หลายประเทศนะเริ่มที่จะให้ฟรีวีซ่านะอย่างจีนอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีมีการเรียกร้องว่าน่าจะเป็นอินเดียหรือประเทศอื่นๆด้วยนะครับนะเพราะฉะนั hmm. ้นตรงนี้นี่ก็ก็ดูนะครับว่าเราจะจะจะส่งเสริมการท่องเที่ยวตรงนี้ได้อย่างไรนะครับนะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเรากระตุ้นและเศรษฐกิจดียิ่งขึ้นก็จะทำให้ในส่วนของ การเศรษฐกิจเราฟื้นตัวในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับนางพวงเพชรชุละเอียดเัิมตีประจําสํานักนายกเปิดเผยว่ามีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ให้มีการเข้มงวดในการเดินคดีกับผู้ประกอบการธุรกิจที่บังคับคืนเงินให้กับผู้บริโภคนะอย่างเช่นการทําสัญญาซื้อขายไม่เป็นธรรม ทั่ห้องชุดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้านสินค้าบริการเนี่ยนะครับนกะ็มีการดําเนินการดาเนินคดีอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้ในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยได้รับการดูแลเป็นธรรมนะครับนะซื้อสินค้าที่ตรงปกนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ต้องที่สาคัญเหมือนกันนะครับนะหลายคนสั่งสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้นะตามที่สั่งนี่ก็เดือดร้อนนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่บอกว่า ตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมามีคนร้องทุกขนะ์เกี่ยวกับเรื่องของการไม่รับความเป็นธรรมการซื้อขายสินค้าไม่ตรงปกเนี่ยนะก็เป็นจํานวน 3,200 กว่าเรื่องนะครับนะนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไม่ตรงปกละครับถึง967เรื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะการจองโรงแรมตนะมั๋วเครื่องบินนะไม่ตรงปกอีก400กว่าเรื่องนะนะการเช่าซื้อรถยนต์ นะครับนะที่ไม่เป็นธรรมอีก300กว่าเรื่องก็นางพวงเพชรเนี่ยซึ่งเป็นรัมตีนะประจําสํานักนายกนะครับก็ดูแลทางด้านผู้บริโภคนี่ก็บอกว่าจะเข้มงวดนะครับพยายามที่จะมีมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บริโภคเหล่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงนีใน้ในส่วนของเศรษฐกิจของเราในค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันนะครับซึ่งจากการเปิดเผยของในส่วนของ ธนาคารโลกเนี่ยในฟาบิชิโอซาโคเนซซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารโลกประจําประเทศไทยก็บอกว่าในช่องว่างความเหลื่อมล้านะครับของของไทยเราเนี้ยก็สูงนะครับนะซึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเราเนี่ยเริ่มที่จ ะ, ะเริ่มมีความเหลื่อมล้ำที่เริ่มสูงขึ้นนะครับนะทางด้านการรายได้ทางด้านโอกาสทางด้านอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ในนางวราวันนะ พิคามินลองเลขาธิการสภาพัฒนะ์ก็บอกว่าสถานการณ์ความยากจนความเหลื่อมล้ำของไทยเราในปี2565เนี่ยก็ภาพรวมอาจจะดีขึ้นเนะพราะเราผ่านช่วงระบาดของโควิด19มาแต่ว่าล่าสุดเรามีคนจนอยู่ประมาณ 3.8 ล้านคนนะจากปีก่อนเนี่ยที่มีคนจนอยู่ 4.4 ล้านคนว้อย่างนั้นนะครับนะและขณะนี้จังหวัดที่มีสัดส่วน คนจนสูงสุด5จังหวัดนะก็ในปี2 0 6 5ก็คือมีแม่ห้องสอนปัตตานีจังหวัดตากนาลาทิวาสและกาลสินนะซึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่ห้องสอนลนะ้วครับเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดนะนะซึ่งเพราะฉะนีน้ตรงนี้นี่ก็คงเป็นเป้าที่ในส่วนของของรัฐบาลนี่ก็คงจะต้องนะพยายามที่จะต้องเข้าไปดูแลไปไปช่วยเหลือแหะครับนะนะเพราะว่า ถ้ายังอยู่ในเส้นของคนจนอยู่นี่นก็จะจะทำให้เกิดวิกฤตนะเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะจะทำอย่างไรที่จะจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนจนได้นะครับก็คงจะต้องพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับเนะนะพราะฉะนั้นสภาพเศรษฐกิจของไทยเลยทยอยฟื้นตัวจากการเปิดเผยของนาย ปิติดิศยทัตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกบอกว่าตอนนี้นี่ก็เศรษฐกิจของเรานี่มีแนวโนม้มที่จะขยายตัว 2.4% ในปีนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเริ่มขยายตัวปีหกเจ็ดนี่ก็น่าจะขยายตัวที่ 4.4% นะครับนะเพราะว่าเรามีโครงการดิจิตอลวอลเล็นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะว่าจะ เป็นอย่างไรนะครับนะ่ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราดูนะครับนะอัาตราเงินเฟ้อทั่วไปก็มีแนวโน้มที่จะจะดีขึ้นนะครับนะ Կ ก็ว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ต้องต้องฟังหลายหลายฝ่ายแล้วครับในส่วนของอาการแก้ปัญหาของของประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงคงดนะูในหลายปัจจัย ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อก็คือต้องมีการควบคุมล่ะครับนะมีการควบคุมนะซึ่งรัฐบาลนี่ก็จ ะ, ะมีนโยบายที่จะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการโดวยเฉพาะข้าขราชการชั้นผู้น้อยนะครับนะก็จะขึ้นเงินเดือนนะครับนะก็อ่า ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีล่ะครับนะเป็นการก่อจายนะครับนะรายได้ให้กับผู้ผู้น้อยแต่ว่าในส่วนของ สินค้านี่ก็ขยับขึ้นไปรอแล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดมีข่าวว่าจะมีการขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงนะสินค้าอุปโภคบริโภคนี่ก็มักจะขยับขึ้นไปรอนะเพราะฉะนั้นก็เห็นใจนะเหมือนกันนะครับนะก็ต้องมีมาตรการอื่นๆเข้ามาเข้ามาเสริมแล้วครับนะทั้งแก้หนี้สินของรัษฎรมีการเพิ่มคนะ่าแรงขั้นต่ำนะก็เพิ่มเงินเดือนข้าราชการอาจจะต้องมีการ ปรับในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับนะมีโครงการดิจิตอลวัลเล็ตออกมานะครับแล้วมีโครงการอื่นๆออกมาเนี่ยนะอาจจ ะ, ะต้องผสมผสานกันไปรวมทั้งไอ้ไอ้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องบํานาญประชาชนที่ฝ่ายภาคประชาชนนี้ก็เรียกร้องนะครับก็ต้องดูกันสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควนบุรีเรามาร่วมมือกัน ลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันต์กุลธนันต้องขอลาท่านทุกประการและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ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 เธอเคยเป็นดาวในฝันแต่ว่าวันนี้เป็นดาวในใจเต่นเติมชีวิตที่มีความหมายขอมอบดวงใจไว้ให้เธอ